ปกรณกขหมวดที่4มีสมสิขาบทแสดงโดยสังเขปดังนี้พึงทําศึกษาว่าเราไม่อาภาัยหนึ่งไม่ยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ 2. องจะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขละบนของสดเขียวสามจไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเขละในน้ํา เป็นธรรมเนียมของภิกษุนั่งถ่ายปัสสาวะและทิ้งสิ่งโสโครกในนาในไร่ที่เขาปลูกพืชและในน้ำที่บริโภคใช้สอยไม่ได้ลานหญ้าที่เขารักษาในบัดนี้ส่งค้อเข้าในของเขียวสดพูตครมที่เขาไม่ได้รักษาเป็นแต่ขึ้นรกหาได้จัดเข้าในที่นี้ไม่น้ำนั้นในบ่อในสระ ที่คนขุดไว้ใช้ก็ตามในที่ขังอยู่เองเช่นในหนองในบึงก็ตามในน้ำที่ไหลเช่นในคลองในแม่น้ำก็ตามห้ามทั้งนั้นเว้นไว้แต่น้ำที่ไม่ใช้บริโภคเช่นน้ำเน่าน้ำทะเลในคราวที่มีน้ำท่วมไม่มีที่บกจะถ่ายถ้านอนุญาต